ความหมายของปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันเรื่องที่ 1. ความหมายเชิงอธิบาย 1. อวิชชาใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ignorance หรือ lack of knowledge หมายถึงความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้เท่าทันตามสภาวะหลงไปตามสมมติบัญญัติความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับความเชื่อถือต่างๆ ภาวะขาดปัญญาความไม่เข้าใจเหตุผลการไม่ใช้ปัญญาหรือปัญญาไม่ทำงานในขณะนั้นๆ 2. ส, สังขารใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า volitional activities หมายถึงความคิดปรุงแต่งความจงใจมุ่งหมายตัดสินใจและการที่จะแสดงเจตนาออกเป็นการกระทำการจัดสรรกระบวนความคิด และมองหาอารมณ์มาสนองความคิดโดยสอดคล้องกับพื้นนิสัยความถนัดความโน้มเอียงความเชื่อถือและทัศนคติเป็นต้นของตนตามที่ได้สั่งสมไว้การปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดหรือปรุงแต่งกรรมด้วยเครื่องปรุงคือคุณสมบัติต่างๆที่เป็นความเคยชินหรือได้สั่งสมไว้ 3. วิญญาณใช้ศรรัพท์ภาษาอังกฤษว่า consciousness หมายถึงความรู้ต่ออารมณ์ต่างๆคือเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ต่ออารมณ์ที่มีในใจตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นๆ 4. นนามรูปใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า animated organism หมายถึงความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรมในความรับรู้ของบุคคล ภาวะที่ร่างกายและจิตใจทุกส่วนอยู่ในสภาพที่สอดคล้องและปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองในแนวทางของวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นส่วนต่างๆของร่างกายและจิตใจที่จเจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต 5. สลายตนะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า the six th sense basis หมายถึงภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ผัสสใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า contact หมายถึงการเชื่อมต่อความรู้กับโลกภายนอกการรับรู้อารมณ์ต่างๆ 7. เวทนาใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า feeling หมายถึงความรู้สึกสุขสบายถูกใจหรือทุกข์ไม่สบายหรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ตัณหาใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า craving หมายถึงความอยากทยานร่านรนหาสิ่งอํานวยสุขเวทนาหลีกหนีสิ่งที่ก่อทุกขเวทนาโดยอาการได้แก่อยากได้อยากเป็นอยากคงอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นยั่งยืนตลอดไปอยากให้ดับศูนย์ให้พี่นาศไปเสีย 9. อุปาทานใช้ศภาษาอังกฤษว่า attachment หรือ clinging หมายถึงความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชังรวบรั้งเอาสิ่งต่างๆและภาวะชีวิตที่อํานวยเวทนานั้นเข้ามาผูกพันกับตัวความยึดมั่นต่อสิ่งซึ่งทําให้เกิดเวทนาที่ชอบหรือไม่ชอบจนเกิดท่าทีหรือตีราคาต่อสิ่งต่างๆในแนวทางที่เสริมหรือสนองตันหาของตน 10. บพใช้ภาษาอังกฤษว่า process of becoming หมายถึงกระบวนกพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกเพื่อสนองตัญหาอุปาทานนั้นและภาวะชีวิตที่ปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสอดคล้องกับอุปาทานและกระบวนกพฤติกรรมนั้นกระบวนกพฤติกรร ม, ท, มทั้งหมดที่แสดงออกเพื่อสนองตัญหาอุปาทานนั้นเรียกเป็นศัพท์ว่ากรรมภพซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า the active process และภาวะชีวิตที่ปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าอุปัติภพ ใช้ภาษาอังกฤษว่า the passive process อุปติภพเป็นศั์อภิธรรมในพระสูตรรุ่นหลังเรียกว่าปฏิสนธิปุณภพ11ชาติใช้ศับภาษาอังกฤษว่า birth หมายถึงการเกิดความตระหนักในตัวตนว่าอยู่หรือไม่ได้อยู่ในภาวะชีวิตนั้นๆหรือไม่ได้มีไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการเข้าครอบครองภาวะชีวิตนั้น หรือเข้าสวมเอากระบวนพฤติกรรมนั้นโดยการยอมรับตระหนักชัดขึ้นมาว่าเป็นภาวะชีวิตของตนเป็นกระบวนพฤติกรรมของตน 12. จรามรณะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า decay and death หมายถึงความสำนึกในความขาดพลาดหรือพรากแห่งตัวตนจากภาวะชีวิตอันนั้นความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญสิ้นสลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตนั้นๆหรือจากการได้มีได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเกิดโสกะปริเทวะทุกข์โทมนันตุปายาตพ่วงมาด้วยคือรู้สึกขับแค้นขัดข้องกุนมัวแห้งใจหดหูซึมเศร้าไม่สมหวังกระวนกระวายและทุกขเวทันความหมายของปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจาวันเรื่องที่สอง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 มีคุณธรรมไร้คุณธรรมหรือมีคุณสมบัติต่างๆตามแต่เจ ต, ตนาที่ดีหรือชั่วนั้นๆด้วย 3. วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเมื่อมีวิญญาณที่รู้เห็นได้ยินเป็นต้นก็ต้องมีรูปธรรมและนามธรรม ท, ที่ถูกรู้ถูกเห็นเป็นต้นอยู่พร้อมไปด้วยกันและเมื่อวิญญาณทำหน้าที่ รูปธรรมนามธรรมต่างๆที่เป็นตัวร่วมงานร่วมอาศัยกันของวิญญาณนั้นเช่นอวัยวะที่เกี่ยวข้องเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายต่างก็ต้องทํางานร่วมไปด้วยตามหน้าที่ยิ่งกว่านั้นวิญญาณขณะ น, น, นั้นถูกปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวออกมาร่วมงานในขณะนั้นนั้นก็จะมีแต่จําพวกที่เป็นทํานองนั้นหรือพลอยมีคุณสมบัติอย่างนั้นไปด้วยเช่น เมื่อวิญญาณประกอบด้วยสังขารจำพวกโกรธเป็นตัวปรุงแต่งสัญญาที่ออกโรงด้วยก็จะเป็นสัญญาเกี่ยวกับถ้อยคำหยาบคายคำดา่าตลอดจนมีดพร้าอาวุธเป็นต้นรูปธรรมเช่นหน้าตาก็จะบูดบึง้งกล้ามเนื้อเขม็งเครียดเลือดไหลฉีดแรงเวทนาก็บีบคันเป็นทุกข์เป็นต้นเมื่อวิ ญ, ญญาณเป็นไปในสภาพอย่างใดซ้าบ่อยนามธรรมาและรูปธรรมที่เกิดดับสืบต่อ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 อยากเข้าอยู่ในภาวะที่จะได้ครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณ์นั้นเกิดเป็นภวะตันหาเมื่อรับรู้อารมณ์ใดเกิดความทุ ก, กข์บีบคันไม่สบายก็เกลียดชังขัดใจอยากพากอยากพ้นอยากกําจัดทําให้สูญหายไปเกิดเป็นวิภวะตันหาถ้ารู้สึกเฉยเฉยก็เรื่อยเรื่อยซึมซึมเพลินเพลินอยู่ในโมหะและติดได้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 อะไรเกี่ยวกับมันเป็นเห็นดีเห็นงามไปหมดอะไรกระทบมันเป็นกระทบถึงเราด้วยถ้าชังก็เกิดความรู้สึกปะทะกระทบเหมือนดังเป็นตัวประัะกกู้กรณีกับตนอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นบุคคล น, นั้นหรือภาวะนั้นให้รู้สึกกระทบกระแทกขัดผลักๆอยู่เรื่อยไม่เห็นดีไม่เห็นงามมันขยับเขยื่อนทำอะไรเป็นดังกระทาต่อเราไปหมดพร้อมกันนี ท่าทีไม่ว่าในทางชอบหรือในทางชังก็ตามย่อมเป็นเครื่องเสริมย้ำและเป็นไปด้วยกันกับความยึดติดถือมั่นเชื่อชูคุณค่าความสำคัญของสิ่งต่อไปนี้คือหนึ่งสิ่งปรนเปรออำนวยความสุขที่จะถูกได้หรือถูกขัดถูกแย่งสิ่งปรนเปรออำนวยความสุขนี้เรียกว่ากาม 2. ความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเกี่ยวกับโลกและชีวิต ความเห็นความเข้าใจนี้เรียกว่าทิฏฐิ 3. ระบบแบบแผนข้อปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการต่างๆที่จะให้บรรลุผลสำเร็จทั้งในทางที่จะได้และที่จะเลี่ยงผลระบบแบบแผนข้อปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการต่างๆนี้เรียกว่าสีละวัรและ 4. ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนที่จะได้หรือที่ถูกประทะขัดขวางความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนนี้เรียกว่า อัตวาทะคาอธิบายแสดงความสัมพันธ์อย่างง่ายช่วงต่อไปคือช่วงที่เกอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบเมื่อมีความยึดถือมีท่าทีต่อสิ่งบุคคลหรือภาวะอันใดอันหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดคนก็สร้างพบหรือภาวะชีวิตของเขาขึ้นตามความยึดถือหรือท่าทีอย่างนั้นทั้งในด้านกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดเริ่มแต่ระบบความคิดหรือนิสัยของความคิดออกมา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 เป็นผู้กระทาเป็นผู้รับการกระทบกระแทกเป็นผู้ชนะผู้แพ้เป็นผู้ได้ผู้เสียเป็นต้นอยู่ในพบนั้น11ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะเมื่อเกิดมีตัวตนเข้าอยู่ครอบครองพบหรือภาวะชีวิตนั้นแล้วการที่จะได้ประสบความเป็นไปทั้งในทางเสื่อมและทางจเจริญในพบนั้นก็ย่อมต้องมีขึ้นเป็นธรรมดา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 ความหมายของปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันเรื่องที่สามคำอธิบายแสดงความสัมพันธ์เชิงขยายความช่วงที่หนึ่งอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเพราะไม่รู้ตามเป็นจริงไม่เห็นแจ้งไม่เข้าใจชัดจึงคิดปรุงแต่งเดาคิดวาดภาพไปต่างๆเหมือนคนอยู่ในความมืดเห็นแสงสะท้อนในตาสัตว์มีความเชื่อเรื่องผีอยู่แล้ว จึงคิดเห็นเป็นรูปหน้าตาหรือตัวผีขึ้นมาจริงๆและเห็นเป็นอาการต่างๆเกิดความกลัวคิดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวิ่งหนีเป็นต้นหรือเหมือนคนไม่เห็นของทายที่อยู่ในกำมือจึงคิดหาเหตุผลมาทายเดาและถกเถียงต่างๆคนที่เชื่อว่าเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรอะไรให้ได้ก็คิดปรุงแต่งคาอ้อนวอนพิธีบวงสรวงสังเวยต่างๆขึ้น กระทำการเส้นสวงอ้อนวอนต่างๆคนไม่รู้เท่าทันสภาวะของสังขารที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนเกิดจากการปรุงแต่งขององค์ประกอบต่างๆล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยจึงคิดเห็นเป็นของดีงามน่าเอาน่าครอบครองคิดวาดภาพไปต่างๆตั้งความมุ่งหมายคิดหาทางและทำการต่างๆที่จะได้จะเอามาครอบครองช่วงที่สอง สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเมื่อมีเจตนาคือตั้งใจจงใจมุ่งหมายใจเลือกใจจะรับเอาหรือตกลงจะเกี่ยวข้องวิญญาณที่เห็นได้ยินเป็นต้นจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่จำงไม่จงใจไม่เอาใจใส่ใจไม่มุ่งออกรับถึงจะอยู่ในวิสัยที่จะรับรู้ได้วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนกาลังคิดมุ่ง หรือทำอะไรอย่างจดจ้องสนใจอยู่อย่างหนึ่งจิตใจไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่าเนเลื่อนลอยเช่นอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลินจิตรับรู้เฉพาะเรื่องที่อ่านมีเสียงดังควรได้ยินก็ไม่ได้ยินยุงกัดก็ไม่รู้ตัวเป็นต้นกำลังมุ่งค้นหาของอย่างใดอย่างหนึ่งมองไม่เห็นคนหรือของอื่นที่ผ่านมาในวิสัยที่จะพึงเห็น มองของสิ่งเดียวกันคนหลักครั้งด้วยเจตนาคนละอย่างรู้เห็นไปตามแง่ของเจตนานั้นเช่นมองไปที่พื้นดินว่างแห่งหนึ่งด้วยความคิดของเด็กที่จะเล่นได้ความรับรู้และความหมายอย่างหนึ่งมองไปอีกครั้งด้วยความคิดจะปลูกสร้างบ้านได้ความรับรู้และความหมายไปอีกอย่างหนึ่งมองไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดของเกษตรก ร, กรได้ความรับรู้และความหมายอย่างหนึ่ง มองด้วยความคิดของอุตสาหากรได้ความรับรู้และความหมายอีกอย่างหนึ่งมองของสิ่งเดียวกันคนละครั้งด้วยความคิดนึกคนละอย่างเกิดความรับรู้คนละแง่ละด้านตัวอย่างง่ายๆเช่นในกลุ่มของหลายอย่างที่วางอยู่ใกล้กันและอยู่ในวิสัยของการเห็นครั้งเดียวทั้งหมดมีมีดกับดอกไม้อยู่ด้วยคนที่รักดอกไม้มองเข้าไป อาจรับรู้เห็นแต่ดอกไม้อย่างเดียวและการรับรู้จะเกิดซ้ำอยู่ที่ดอกไม้อย่างเดียวจนไม่ได้สังเกตเห็นของอื่นที่วางอยู่ใกล้ยิ่งความสนใจชอบใจติดใจในดอกไม้มีมากเท่าใดการรับรู้ต่อดอกไม้ก็ยิ่งทีขึ้นและการรับรู้ต่อสิ่งของอื่นน้อยลงไปเท่านั้นส่วนคนที่กาลังจะใช้อาวุธมองเข้าไปจิตก็จะรับรู้แต่มีดเช่นเดียวกัน และแม้ในกรณีเห็นมีดเป็นอารมณ์ด้วยกันสำหรับคนหนึ่งอาจรับรู้มีดในฐานะอาวุธสำหรับประหารผู้อื่นอีกคนหนึ่งอาจรับรู้ในแง่สิ่งที่จะใช้ประโยชน์ในครัวอีกคนหนึ่งอาจรับรู้ในฐานะเป็นชิ้นโลหะชิ้นหนึ่งสุดแต่ผู้นั้นเป็นโจรเป็นคนครัวหรือเป็นคนรับซื้อโลหะเก่าและอยู่ในภาวะแห่งความคิดนึกเจตํานงอย่างใดเมื่อคิดนึกในเรื่องที่ดีงาม จิตก็รับรู้อารมณ์ที่ดีงามและรับรู้ความหมายในแง่ที่ดีงามของอารมณ์นั้นเมื่อคิดนึกในทางที่ชั่วร้ายจิตก็รับรู้อารมณ์ส่วนที่ชั่วร้ายและรับรู้ความหมายในแง่ที่ชั่วร้ายของอารมณ์นั้นโดยสอดคล้องกันต่อไปข้างหน้าจะกล่าวถึงวิธีตัดกระบวนในบทที่ว่าด้วยโยนิโสมนานสิการช่วงที่สวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป วิญญาณกับนามรูปอาศัยซึ่งกันและกันอย่างที่พระสารีบุตรกล่าวว่าไม้อ้อสองกรรมตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกันฉัน้นใดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปชั้นนั้นไม้อ้อสองกรรมนั้นถ้าเอาออกเสีย ร, รมหนึ่งอี ก, กรำหนึ่งย่อมหลมถ้าดึงอีกคกำรรหนึ่งออก อีกรำหนึ่งก็ล้มฉันใดเพราะนามรูปดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับฉันนั้นโด ย, น, ยนัยนี้เมื่อวิญญาณเกิดมีนามรูปจึงเกิดมีได้และต้องเกิดมีด้วยในกรณีที่สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ น, นั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปพร้อมกันไปด้วยแต่เพราะนามรูปจะมีได้ต้องอาศัยวิญญาณในฐานะที่มันเป็นคุณสมบัติ และเป็นตัวประกอบร่วมของวิญญาณจึงแยกออกกล่าวว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปในที่นี้อาจแยกภาวะที่วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปได้ดังนี้หนึ่งที่ว่าจิตรับรู้ต่ออารม์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเห็นของสิ่งหนึ่งได้ยินเสียงอย่างหนึ่งนั้นแท้จริงก็คือรับรู้ต่อนามรูปต่างๆนั่นเอง นามรูปในที่นี้หมายถึงรูปขันเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสิ่งที่มีสำหรับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็คือสิ่งที่มีอยู่ในความรับรู้ของเขาในขณะนั้นๆหรือนามรูปที่ถูกวิญญาณรับรู้ในขณะนั้นๆเท่านั้นเช่นดอกกุหลาบที่มีอยู่ก็คือดอกกุหลาบที่กำลังถูกรับรู้ทางจักสุประสาทหรือทางมโนทวารในขณะนั้นๆ น, น, นอกจากนี้ ดอกกุหลาบอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ต่างหากจากบัญญัติหรือคอนเซปต์ในมโนทวารและไม่ได้ผิดแปลกไปจากเวทนาสัญญาและสังขารที่มีอยู่ในขณะนั้นๆเลยโดยในยะนี้เมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีอยู่พร้อมนั่นเองและมีอยู่อย่างอิงอาศัยคำจุนซึ่งกันและกัน 2. นามรูปที่เนื่องอาศัยวิญญาณย่อมมีคุณภาพสอดคล้องกับวิญญาณนั้นด้วย โดยเฉพาะนามทั้งหลายก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเองเมื่อสังขารคือความคิดปรุงแต่งดีงามก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งรับรู้อารมณ์ที่ดีงามและในแง่ที่ดีงามในขณะนั้นจิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใสไปตามอากัศกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆด้านร่างกายก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะในทางที่ดีงามสอดคล้องกันเมื่อคิดนึกในทางที่ชั่ว ก็เกิดความรับรู้อารมณ์ในส่วนและในแง่ที่ชั่วร้ายจิตใจก็มีสภาพขุ่นมัวหม่นหมองอากับกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆทางร่างกายก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเป็นความเครียดกระด้างหม่นหมองไปตามในสภาพเช่นนี้องค์ประกอบต่างๆทั้งในทางจิตใจและร่างกายอยู่ในภาวะที่พร้อมหรืออยู่ในอาการที่กําลังปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับสังขารหรือวิ ญ, ญญาณที่เกิดขึ้น เมื่อรู้สึกรักใคร่มีไมตรีรู้สึกรักใคร่มีไมตรีนี้เป็นสังขารก็เกิดความรับรู้อารมณ์ส่วนที่ดีงามความรับรู้อารมณ์นี้เป็นวิญญาณจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานจิตใจนี้เป็นนามและรูปคือสีหน้าก็สดชื่นยิ้มแย้มผ่องใสตลอดจนกิริยาอาการต่างๆก็กลมกลืนกันอยู่ในภาวะที่พร้อมจะแสดงออกในทางที่ดีงามต่อไป เมื่อกโกรธเคืองก็เกิดความรับรู้อารมณ์แต่ส่วนที่เลวจิตใจก็ขุ่นมัวขัดข้องสีหน้ า, ากิริยาอาการก็บึ้งบูดเคร่งเครียดอยู่ในภาวะที่พร้อมจะแสดงอาการและกระทําการต่างๆในแนวทางนั้นต่อไปนักกีฬาที่อยู่ในสนามเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นความนึกคิดเจตํานงต่างๆจะพุ่งไปในกีฬาที่แข่งขันอยู่นั้นความรับรู้ต่างๆก็เกิดดับอยู่ในเรื่องนั้น ด้วยอัตราความถี่มากน้อยตามกาลังของเจดจานงความสนใจที่พุ่งไปในกีฬานั้นจิตใจและร่างกายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในภาวะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคล้องกันความเป็นปัจจัยในข้อนี้หมายรวมไปถึงการเกิดดับสืบต่อของนามรูปใหม่ๆคือส่วนต่างๆของร่างกายและจิตใจที่มาก่อหรือเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็นไปตามสภาพของวิญญาณที่ถูกสังขารปรุงแต่งแล้วนั้นความเป็นไปในช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนแห่งกรรมและการให้ผลของกรรมวงจรแห่งวัฏฏะหมุนมาครบครอบเล็กนั่นคืออวิชชาซึ่งเป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สังขารคือทำกรรมแล้วสังขารซึ่งเป็นกรรมนั้นก็เป็นปัจจัยแก่ผลของกรรมคือวิญญาณและนามรูป วิญญาณและนามรูปจึงเป็นวิบากวงจรแห่งวัตตะคือกิเลสกรรมวิบากก็จึงหมุนมาครบรอบเล็กดังกล่าวและกำลังจะเริ่มตั้งต้นหมุนต่อไปนับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างนิสัยความเคยชินความรู้ความจำนานและบุคลิกภาพทั้งหมดคำอธิบายแสดงความสัมพันธ์เชิงขยายความช่วงที่สนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลา ญ, ญาตนะ การที่นามรูปจะปฏิบัติหน้าที่ต่ อ, ตอไปต้องอสสาศัยความรู้ต่อโลกภายนอกหรือดึงความรู้ที่สะสมไว้แต่เดิมมาเป็นเครื่องประกอบการตัดสินหรือเลือกว่าจะดำเนินพฤติกรรมใดต่อไปในทิศทางใดดังนั้นนามรูปส่วนที่มีหน้าที่เป็นสื่อหรือช่องทางติดต่อรับรู้อารมณ์ต่างๆคืออาญาตนะที่เกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆจึงอยู่ในสภาพตื่นตัว และปฏิบัติหน้าที่สัมพันธ์สอดคล้องกับปัจจัยข้อกันก่อนตามลำดับมาดังเช่นในกรณีของนักฟุตบอลในสนามอายตนะที่ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์อันเกี่ยวกับกีฬาที่เล่นอยู่นั้นเช่นประสาตตาประสาทหูเป็นต้นก็จะอยู่ในสภาพตื่นตัวที่จะรับรู้อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่เล่นด้วยความไวเป็นพิเศษในขณะเดียวกันอายตนะที่ไม่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ที่มุ่งหมายนั้น ก็จะไม่อยู่ในสภาพตื่นตัวที่จะให้เกิดการรับรู้อารมณ์พูดง่ายๆว่าผ่อนการปฏิบัติหน้าที่ลงไปตามส่วนเช่นความรู้สึกกลิ่นและความรู้สึกรสอาจไม่เกิดขึ้นเลยในขณะที่กำลังเล่นอย่างกระชั้นชิดติดพัน์เป็นต้นช่วงที่หสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเมื่ออายตนะปฏิบัติหน้าที่การรับรู้ก็เกิดขึ้นโดยมีองค์ประกอบสามอย่างเข้าบรรจบกัน คืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจหมูกลิ้นกายมโนอย่างใดอย่างหนึ่งกับอารมณ์ภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางจักรสุโสตะคานะชิวหากายะมโนอย่างใดอย่างหนึ่งความประจวบกันแห่งอายตนะภายในกับอารมณ์ภายนอกและวิญญาณการรับรู้ก็เกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับอายตนะนั้นๆ ช่วงที่หผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกเกี่ยวด้วยสุขทุกเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในสมอย่างคือสบายชื่นใจเป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาหรือไม่ก็บีบคั้นไม่สบายเจ็บปวดเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาหรือไม่ก็เฉยเฉยเรื่อยเรื่อยไม่สุขไม่ทุกขเรียกว่าอุเบกขาหรือ ทุกคมสุ ข, ขเวทนาปฏิจจสมุปบาท ต, ตั้งแต่หัวข้อที่สมถึงเจคือวิญญาณถึงเวทนานี้เป็นกระบวนการในช่วงวิบาก ค, คือผลของกรรมโดยเฉพาะข้อห้าหเจ็คือสลายตณนะผัสสะเวทนาไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองแต่จะเป็นเหตุแห่งความดีความชั่วได้ อธิบายแสดงความสัมพันธ์เชิงขยายความช่วงที่7เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเมื่อได้รับสุขเวทนาก็พอใจชอบใจติดใจอยากได้และอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับทุกขเวทนาก็ขัดใจอยากให้สิ่งนั้นสูญสิ้นพินาศไปเสียอยากให้ตนพ้นไปจากทุกขเวทนานั้น และอยากได้แสดิ้นรนไปหาสิ่งอื่นที่จะให้สุขเวทนาต่อไปเมื่อได้รับอุเบกขาเวทนารู้สึกเฉยเฉยก็ชวนให้เกิดอาการซึมซึมเพลินอยังมีโมหะเป็นสุขเวทนาอย่างอ่อนอ่อนที่ทำให้ติดใจได้และเป็นเชื้อให้ขยายตัวออกเป็นความอยากได้สุขเวทนาต่อไปตัณหานั้นเมื่อแยกให้ชัดโดยอาการก็มีสามอย่างคือหนึ่ง กามตัณหาความอยากได้สิ่งสำหรับสนองความต้องการทางปภาษาทาัา้ง5เทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า craving for sense pleasure 2. ภวะตัณหาความอยากได้สิ่งต่างๆโดยสัมพันธ์กับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความอยากในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆได้ในความหมายที่ลึกซึ้งคือความอยากในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตน ที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งยั่งยืนตลอดไปเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า claving for self existence 3. วิภาวะตันหาความอยากให้ตัวตนพ้นไปขาดหายพรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ปรารถนาตันหาชนิดนี้แสดงออกในรูปที่หยาบเช่นความรู้สึกเบื่อนายความเหงาว้าเว ความเบื่อตัวเองความชังตัวเองความสมเพศตนเองความอยากทำลายเป็นต้นเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า craving for non-existence หรือ self-annihilation ตัณหาจึงแสดงออกในรูปต่างๆเป็นความอยากได้กามคุณต่างๆบ้างอยากได้ภาวะแห่งชีวิตบางอย่างเช่นความเป็นเศรษฐีความเป็นผู้มีเกียรติความเป็นเทวดาเป็นต้นซึ่งจะอำนวยสิ่งที่ปรารถนาให้บ้าง อยากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาเบื่อนายหมดอาลัยตายอยากตลอดจนถึงอยากตายบ้างหรือในกรณีที่แสดงออกในภายนอกเมื่อถูกขัดหรือฝืนความปรารถนาก็เป็นเหตุให้เกิดปฏิฆะความขัดใจขัดเคืองโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดทำลายผู้อื่นสิ่งอื่นเป็นต้นช่วงที่8ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเมื่ออยากได้สิ่งใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแน่นผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้นยิ่งอยากได้มากเท่าใดก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเท่านั้นในกรณีที่ประสบทุกขเวทนาอยากพ้นไปจากสิ่งนั้นก็มีความยึดมั่นในแง่ชิงชังต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงพร้อมกับที่มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้นรนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเท่าๆกันจึงเกิดความยึดมั่นในสิ่งสนองความต้องการต่าง ยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอนวยสิ่งที่ปรารถนายึดมั่นในตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นในความเห็นความเข้าใจทฤษฎีและหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองตันหาของตนตลอดจนยึดมั่นในแบบแผนข้อยึดถือปฏิบัติวิธีการต่างๆที่สนองความต้องการของตัวตนช่วงที่9ภูปาทานเป็นปัจจัยแก่พบความยึดมั่น ย่อมเกี่ยวข้องไปถึงภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งความยึดมั่นนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งคือเป็นการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว้หรือทําให้เป็นสิ่งเดียวกันกับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นภาวะชีวิตที่อํานวยสิ่งที่ปรารถนาหรือเป็นภาวะชีวิตที่ช่วยพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ปรารถนาในเวลาเดียวกันเมื่อมีภาวะชีวิตที่ต้องการก็ย่อมมีภาวะชีวิตที่ไม่ต้องการอยู่ด้วยพร้อมกัน ภาวะชีวิตที่ถูกยึดเกี่ยวเกาะไว้นี้เรียกว่าอุปปติภพเมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้นจึงคิดมุ่งหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วลงมือทําการต่างๆเริ่มแต่คิดสร้างสรรค์ปรุงแต่งแสวงวิธีการต่างๆดํ า, าดเนินการตามจุดมุ่งหมายแต่ความคิดและการกระทําทั้งหมดนั้นย่อมถูกผลักดันให้ดําเนินไปในทิศทาง และในรูปแบบที่อุปาทานกำหนดคือเป็นไปตามอำนาจของความเชื่อถือความคิดเห็นความเข้าใจทรษดีวิธีการความพอใจชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนยึดถือไว้จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทำการต่างๆโดยสอดคล้องกับอุปาทานนั้นตัวอย่างในชั้นหยาบเช่นอยากเกิดเป็นเทวดาจึงยึดถือในลัทธิคาสอนประเพณีพิธีกรรม หรือแบบแผนความประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าจะให้ไปเกิดได้อย่างนั้นจึงคิดมุ่งหมายกระทำการต่างๆไปตามความเชื่อนั้นจนถึงว่าถ้าความยึดมั่นรุนแรงก็ทำให้มีระบบพฤติกรรมที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่งหรือตัวอย่างใกล้เข้ามาเช่นอยากเป็นคนมีเกียรติก็ย่อมยึดมั่นเอาคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติที่สอดคล้องกับคุณค่านั้นยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติอย่างนั้นอย่างนั้นเจตจำนงและการกระทาก็มุ่งไปในทิศทางและรูปแบบที่ยึดไว้นั้นพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคล้องกันอีกตัวอย่างหนึ่งอยากได้ของมีค่าของผู้อื่นจึงยึดมั่นในภาวะที่ตนจะเป็นเจ้าของสิ่งของนั้นจึงยึดมั่นในความเคยชิน หรือวิธีการที่จะให้ได้สิ่งของนั้นมาไม่รู้โทษและความบกพร่องของวิธีการที่ผิดจึงคิดนึกมุ่งหมายและกระทาการตามความเคยชินหรือวิธีการที่ยึดไว้กลายเป็นการลักขโมยหรือการทุจริตขึ้นความเป็นเจ้าของที่ยึดไว้เดิมกลายเป็นความเป็นโจรไปโดยในยะนี้เพื่อผลที่ปรารถนามนุษย์จึงทากรรมชั่วเป็นบาปเป็นอกุศลบ้างทากรรมดี เป็นบุญเป็นกุศลบ้างตามอำนาจความเชื่อถือความยึดมั่นที่ผิดพลาดหรือถูกต้องในกรณีนั้นๆกระบวนรพฤติกรรมที่ดำเนินไปในทิศทางแห่งแรงผลักดันของอุปาทานนั้นและปรากฏรูปลักษณะอาการสอดคล้องกันกับอุปาทานนั้นเป็นกรรมภพภาวะแห่งชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนรพฤติกรรมนั้นเช่นความเป็นเทวดาความเป็นคนมีเกียรติความเป็นเจ้าของ และความเป็นโจรเป็นต้นเป็นอุปติภพอาจเป็นภพหรือภาวะแห่งชีวิตที่ตรงกับความต้องการหรือภพที่ไม่ต้องการก็ได้ปฏติ จ, จัสมุบบาทช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำกรรมรับผลกรรมการก่อนิสัยและสร้างบุคลิกภาพช่วงที่10พบภพเป็นปัจจัยแก่ชาติชีวิตที่เป็นไปในภาวะต่างๆทั้งหมดนั้น ว่าตามความหมายที่แท้ก็คือขันห้าที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปโดยมีคุณสมบัติที่สะสมเพิ่มลดในด้านต่างๆตามเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีเจตจำนงคือเจตนาเป็นตัวนำทำให้กระแสดโดยรวมหรือกระบวนํานั้นๆมีลักษณะอาการอย่างใดยอย่างหนึ่งขันห้าที่รวมเป็นชีวิตนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงความจริงนั้นด้วยภาษาตามสมมติ จึงพูดว่าคนเรานี้เกิดแก่ตายอยู่ทุกขณะอย่างที่อัตถกถาแห่งหนึ่งคือคำพีปรมัตตโชติกากล่าวว่าโดยปรมัตเมื่อขันทั้งหลายเกิดอยู่แก่อยู่ตายอยู่การที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอเกิดแก่และตายอยู่ทุกขณะดังนี้ก็พึงทราบว่าเป็นอันได้ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่าในสัตว์ทั้งหลายนั้น การเล็งถึงขันเสร็จอยู่แล้วในตัวอย่างไรก็ตามสําหรับปุถุชนย่อมไม่ใช่มีเพียงการเกิดดับของขันห้าตามธรรมดาของธรรมชาติเท่านั้นแต่เมื่อมีพบขึ้นตามอุปาทานแล้วก็เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักขึ้นมาว่าเราได้เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ในภาวะชีวิตอันนั้นอันนี้ซึ่งตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับความต้องการพูดสั้นๆว่า ตัวตนเกิดขึ้นในภพนั้นจึงมีตัวเราที่เป็นเจ้าของตัวเราที่เป็นโจรตัวเราที่เป็นคนไม่มีเกียรติตัวเราที่เป็นผู้ชนะตัวเราที่เป็นผู้แพ้เป็นตน้นในชีวิตประจำวันของปุ้ทุชนการเกิดของตัวตนจะเห็นได้เด่นชัดในกรณีความขัดแยง้งเช่นการถกเถียงแม้ในการเถียงหาเหตุผลถ้าใช้กิเลสไม่ใช้ปัญญา ก็จะเกิดตัวตนที่เป็นนั่นเป็นนี่ชาติขึ้นมาว่าเราเป็นนายเราเป็นผู้มีเกียรติพร้อมกับเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นคนชั้นต่ำนี่เป็นความเห็นของเราเราถูกขัดแยง้งทําให้ความเป็นนั่นเป็นนี่ด้อยลงพร่องลงหรือจะสูญสลายไปเมื่อชารามรณะปรากฏชาติก็ยิ่งชัดแต่เพราะมีชาติจึงมีชารามรณะได้ช่วงที่สิอชาติ เป็นปัจจัยแก่ชรามรณะเมื่อมีตัวตนที่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ย่อมมีตัวตนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนที่ขาดพลาดหรือพรากจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนที่ถูกคุกคามด้วยความขาดพลาดหรือพรากไปจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และตัวตนที่ถูกกระทบกระทั่งถูกขัดขวางขัดแย้งให้กระแสความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสะดุดหวั่นไหวสะเทือนลดด้อยลง ร่องลงเสื่อมลงไปไม่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมอย่างที่อยากให้เป็นและอย่างที่ยึดถืออยู่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นแล้วก็อยากจะดำรงอยู่ตลอดไปอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ต้องการหรืออยากให้ภาวะแห่งชีวิตที่ต้องการนั้นอยู่กับตัวตนตลอดไปแต่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได้ตัวตนก็ย่อมเสื่อมสลายได้แม้เมื่อยังไม่สูญสลายก็ถูกคุกคามด้วยความพร่องตัว และความสูญสลายที่จะมีมาจึงเกิดความหวาดกลัวต่อความถูกหวั่นไหวกระทบกระแทกและความสูญสลายและทําให้เกิดความยึดมั่นผูกพันตัวตนไว้กับภาวะชีวิตนั้นให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นความกลัวต่อความสูญสลายแห่งตัวตนนี้เกิดสืบเนื่องมาจากความรู้สึกถูกคุก ค, คามและหวาดกลัวต่อความตายของชีวิตนี้นั่นเองซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลาและคอยบีบคันพฤติกรรมทั่วๆไปของมนุษย์ ทำให้หวาดกลัวต่อความพัดพรากสูญสลายทำให้ดิ้นรนไขว้คว้าภาวะชีวิตที่ต้องการอย่างเร่าร้อนทำให้เกรงกลัวและผิดหวังเมื่อได้รับทุกขเวทนาและทำให้เสวยสุขเวทนาอย่างกระวนกระวายและด้วยความหวาดกลัวความพัดพรากโดยในยะนี้เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตที่ไม่ต้องการไม่เกิดในภาวะชีวิตที่ต้องการก็ดี เมื่อตัวตนเกิดได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในภาวะชีวิตที่ต้องการแต่ต้องสูญสลายพรากไปก็ดีถูกคุกคามด้วยความขาดพลาดและพรากจากภาวะชีวิตที่ต้องการก็ดีความทุกแบบต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นคือเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมานตและอุปาญาตและในภาวะแห่งความทุกเช่นนี้ย่อมมีแต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีความขัดข้องขุ่นมัว ความหลงไหลและความมืดบอดอันเป็นลักษณะของอวิชชาจึงเกิดการดิ้นรนหาทางออกด้วยวิธีการแห่งอวิชชาตามวงจรต่อไปตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจําวันเมื่อมีการแข่งขันและมีการชนะเกิดขึ้นสําหรับปุถุชนจะไม่มีเพียงการชนะที่เป็นเหตุการณ์ทางสังคมซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงค์ตามที่สมมติหรือตกลงกําหนดวางกันไว้เท่านั้น แต่จะมีความเป็นผู้ชนะที่ยึดมั่นไว้กับความหมายพิเศษบางอย่างเฉพาะตัวด้วยอุปาทานด้วยความเป็นผู้ชนะนั่นก็คือพบในบางโอกาสโดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิ่งพยองหรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจก็จะเกิดความรู้สึกโผล่ขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ชนะตัวเราเกิดขึ้นในความเป็นผู้ชนะการเกิดนั้นเรียกว่าชาติแต่ความเป็นผู้ชนะของเราในความหมายสมบูรณ์เต็มตัว ต้องพ่วงเอาความมีเกียรติความยกย่องเยินยอความได้ผลประโยชน์ความนิยมชมชอบการยอมรับของผู้อื่นเป็นต้นไว้ด้วยความเกิดของตัวเราในความชนะหรือความชนะของเราจึงเกิดพร้อมกับการจะต้องมีผู้ยอมรับยกย่องเชิดชูการทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งแพ้ไปได้การได้ทําหรือแสดงออกอะไรสักอย่างที่สุดขีดของความอยากเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจากนั้น ในขณะเดียวกับที่ตัวเราในฐานะผู้ชนะพร้อมทั้งความหมายต่างๆที่พ่วงอยู่กับมันเกิดขึ้นความสมหวังหรือไม่สมหวังก็เกิดขึ้นเมื่อสมหวังก็จะตามมาด้วยความรู้สึกที่จะต้องผูกพันมัดตัวไว้กับความเป็นผู้ชนะนั้นให้แน่นแฟน้นเพราะกลัวว่าความเป็นผู้ชนะจะสูญสิ้นไปจากตนกลัวว่าความยอมรับนิยมยกย่องเชิดชูที่ได้รับในฐานะนั้นจะไม่คงอยู่อย่างเดิมจะลดน้อยลง เสื่อมไปหรือหมดไปจากตนเมื่อพบเห็นผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอาการไม่เชิดชูให้เกียรติอย่างที่หวังหรือเท่าที่หวังหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เคยได้อยู่มาลดน้อยลงก็ย่อมเกิดความขุนมัวหม่หมองใจและอุปายาตความคับแค้นใจความสิ้นหวังเพราะตัวตนในภาวะผู้ชนะนั้นกําลังถูกกระทบกระแทกหรือถูกบีบคั้นกําจัดให้พากไปเสียจากภาวะผู้ชนะ คือกำลังถูกคุกคามด้วยชารามอรณะความเสื่อมโทรมและความสูญสลายจากภพคือความเป็นผู้ชนะพร้อมทั้งคุณค่าผนวกต่างๆที่ยึดไว้เมื่อภาวะการดำเนินไปเช่นนี้ความรู้สึกขุนมัวหม่นมองกังวลผิดหวังต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งไม่ได้ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเมื่อไม่ได้ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะ ความรู้สึกคุณมัวหมหมองกังวลผิดหวังต่างๆนั้นก็จะเข้าหมักหมมทับถมในสันดานมีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล น, นั้นตามวงจรปฏิจจสมุปบาทต่อไปเป็นการเสวยเวทนาอย่างที่เรียกว่าหมกตัวหรือผูกมัดตัวขอให้ตั้งก้อสังเกตง่ายๆว่าเมื่อมีตัวตนในความรู้สึกเกิดขึ้นก็ย่อมมีความกินเนื้อที่เมื่อกินเนื้อที่ก็มีขอบเขต หรือถูกจำกัดเมื่อถูกจำกัดก็มีการแยกตัวออกต่างหากเมื่อมีการแยกตัวออกต่างหากก็มีการแบ่งว่าตัวเราและไม่ใช่ตัวเราเมื่อตัวตนของเราเกิดขึ้นแล้วก็ขยายตัวเบ่งพองออกพร้อมด้วยความอยากได้อยากแสดงต่อตัวตนอื่นๆพุ่งออกมาแต่ตัวตนและความอยากนั้นไม่สามารถขยายออกไปอย่างอิสระไม่มีที่สุดต้องถูกฝืน หรือข่มไว้โดยบุคคลนั้นเองในกรณีที่เขามีความสำนึกในการแสดงตัวแก่ผู้อื่นว่าตนเป็นคนดีหรือถ้าตนเองไม่กดหรือข่มไว้ปล่อยให้แสดงออกเต็มที่ก็ย่อมเกิดการประทะขัดแย้งในภายนอกและแม้แสดงออกได้เต็มที่ก็ทำให้พลังในตนเองลดน้อยลงเสริมกำลังความอยากให้แรงยิ่งยิ่งขึ้นและความรู้สึกพร่องให้มากขึ้นมากขึ้นในคราวต่อต่อไป เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ความขัดแย้งและการประทะที่จะแรงยิ่งยิ่งขึ้นและหมดความเป็นตัวของตัวเองลงไปทุกทีความสมบูรณ์เต็มหยากจึงไม่มีและความกดดันขัดแย้งกระทบกระทั่งบีบคั้นย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี ความหมายของปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจําวันเรื่องที่สี่ตัวอย่างกรณีปลีกย่อยในชีวิตประจําวันก็กับขอเป็นเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกันทุกวันมาโรงเรียนพบกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันวันหนึ่งก็เห็นขอก็ยิ้มแย้มเข้าไปทักทายตามปกติแต่ขอหน้าบึ้งไม่ยิ้มด้วยไม่พูดตอบก็จึงโกรธ ไม่พูดกับขอบ้างในกรณีนี้กระบวนธา ร, รจะดำเนินไปในรูปต่อไปนี้องค์ธรรมที่หนึ่งอวิชชาเมื่อเห็นขอหน้าบึง้งไม่ยิ้มตอบไม่พูดตอบก็ไม่รู้ความจริงว่าเหตุผลต้นปลายเป็นอย่างไรและไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจมีอารมณ์ค้างอะไรมาจากที่อื่น องค์ธรรมที่สองสังขารกอจึงคิดนึกปรุงแต่งสร้างภาพในใจไปต่างๆตามพื้นนิสัยตามทัศนคติหรือตามกระแสความคิดที่เคยชินของตนว่าขอจะต้องรู้สึกนึกคิดต่อตอนอย่างนั้นอย่างนี้และเกิดความฟุ้งซ่านโกรธมีมาณนะเป็นตน้นตามพื้นกิเลส ข, ของตนองค์ธรรมที่สวิญญาณจิตของกอคุณมัวไปตามกิเลสที่ฟุ้งขึ้นมาปรุงแต่งเหล่านั้น คอยรับรู้การกระทำและอากัปกิริยาของขอในแง่ในความหมายที่จะมาป้อนความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ในเวลานั้นเหมือนอย่างที่พูดกันว่ายิ่งนึกก็ยิ่งเห็นยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นสีหน้ากิริยาท่าทางต่างๆของขอดูจะเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งกอไปเสียทั้งนั้นองค์ธรรมที่สนามรูปความรู้สึกภาพที่คิดภาวะต่างๆของจิตใจ สีหน้ากิริยาท่าทางคือทั้งกายและใจทั้งหมดของกอคล้อยไปด้วยกันในทานที่จะแสดงออกมาเป็นผลรวมคือภาวะอาการของคนโกรธคนปั้นปึงคนงอนเป็นต้นสุดแต่สังขารปรุงแต่งพร้อมที่จะทำงานร่วมไปกับวิญญาณ น, นั้นองค์ธรรมที่หาสลายตนะอาญตนะต่างๆมีตาหูเป็นต้นของกอเฉพาะที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้รับรู้เรื่องราวในกรณีนี้ ตื่นตัวพร้อมที่จะทําหน้าที่รับความรู้กันเต็มที่องค์ธรรมที่ 6. ผัสสะสัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกต่างๆของขอที่เด่นน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นเช่นความบูดบึง้งความกระด้างท่าทางดูหมิน่นไม่ให้เกียรติหรือเหยียดศักดิ์ศรีเป็นต้นองค์ธรรมที่ 7. เวทนารู้สึกไม่สบายใจ บีบคั้นใจเจ็บปวดรวดร้าวหรือเหี่ยวแห้งใจองค์ธรรมที่8ตันหาเกิดวิภวะตันหาอยากให้ภาพที่บีบคั้นทำให้ไม่สบายใจนั้นพ้นหายอันตรธานถูกกดถูกปราบถูกทำลายให้พินาศไปเสียองค์ธรรมที่9อุปาทานเกิดความยึดถือผูกใจต่อพฤติกรรมของขอว่าเป็นสิ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับตนกระทบต่อตน เป็นคู่กรณีกับตนซึ่งจะต้องจัดการเอากันอย่างใดอย่างหนึ่งองค์ธรรมที่10บพบพฤติกรรมที่สืบเนื่องต่อไปของก่อตกอยู่ใต้อิทธิพลของอุ ป, ปาทานเกิดเป็นกรรมภพซึ่งแสดงออกเป็นกระบวนพฤติกรรมจำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองอุปาทานนั้นคือพฤติกรรมปฏิปัติกับขอและพบอีกแง่หนึ่งได้แก่อุปปฏิภพคือภาวะชีวิตทั้งทางกายทางใจ ที่รองรับกระบวนการพิกรรมนั้นก็สอดคล้องกันด้วยคือเป็นภาวะแห่งความเป็นปฏิบักิ์กับขอองค์ธรรมที่1ิอชาติกอเข้าสวมรับเอาภาวะชีวิตที่เป็นปฏิบักิ์นั้นโดยมองเห็นความเป็นปฏิบักิ์ระหว่างตนกับขอชัดเจนลงไปแยกออกเป็นเราเขามีตัวตนที่จะเข้าไปกระทาและถูกกระทบกระแทกกับขอองค์ธรรมที่สิสอง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 ปล้อยให้แสดงกิริยาอาการไม่งามว่าจะไม่สุภาพต่อคนอื่นๆเกิดความขัดแย้งกับคนเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเป็นต้นถ้ากอปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่ต้นวงจรปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นคือกอเห็นขอไม่ยิ้มตอบไม่ทักตอบและใช้ปัญญาจึงคิดว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจเช่นถูกผู้ปกครองดุมาไม่มีเงินใช้หรือมีเรื่องกลุ้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ค้างอยู่ พอคิดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งตัวจิตใจยังกว้างขวางเป็นอิสระและกลับเกิดความการุณารู้สึกสงสารคิดช่วยเหลือขออาจก็ไปสอบถามปลอบโยนช่วยหาทางแก้ปัญหาหรือให้โอกาสเขาที่จะอยู่สงบเป็นต้นแม้แต่เมื่อวงจรร้ายเริ่มขึ้นแล้วก็ยังอาจแก้ไขได้เช่นวงจรหมุนไปถึงผัสษะ ได้รับรู้อาการกิริยาที่ไม่น่าพอใจของขอทำให้กอเกิดทุกข์บีบคั้นใจขึ้นแล้วแต่ก็มีสติเกิดขึ้นแทนที่จะตกอยู่ใต้อิทธิพลของวิภวะตัณหาที่จะตามมาต่อไปก็ตัดวงจรเสียโดยใช้ปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงและเกิดความรับรู้อย่างใหม่เกี่ยวกับการแสดงออกของขอคิดเหตุผลทั้งที่เกี่ยวกับการกระทำของขอและข้อควรปฏิบัติของตนเองจิตใจก็จะหายบีบคั้นขุนมัว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 ทำให้เกิดตันหาอุปาทานสร้างตัวตนขึ้นมาจำกัดตัวเองสำหรับให้ถูกกระทบกระแทกเกิดทุกข์เป็นปัญหาแก่ตนเองและมักขยายทุกข์ก่อปัญหาให้แก่ผู้อื่นกว้างขวางออกไปด้วยก่อนจะผ่านตัวอย่างปลียย่อยนี้ไปเห็นควรย้ำข้อควรระลึกบางอย่างไว้เพื่อให้มองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบด้านมากขึ้นคือหนึ่งในสถานการณ์จริง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 ยิ่งความยึดติดถือมั่นเทิดข้าให้ราคารุนแรงเท่าใดผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น 2. อขอย้ำอีกว่าความเป็นปัจจัยในกระบว น, นํารนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไปอย่างเรียงลำดับการเช่นช็อคกระดานดำพื้นสีดำสะอาดและการเขียนเป็นปัจจัยแห่งตัวหนังสือสีขาวที่มองเห็นบนกระดานดํา 3. การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุ่งให้เข้าใจกฎธรรมดาหรือกระบวนธรรมที่เป็นไปอยู่ตามธรรมชาติเป็นสำคัญเพื่อให้มองเห็นสาเหตุและจุดที่จะต้องแก้ไขส่วนรายละเอียดของการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรงแต่เป็นเรื่องของมัดหรือมัดทมาปฏิปทาที่จะกล่าวข้างหน้าอย่างไรก็ดีตัวอย่างที่กล่าวมานี้มุ่งความเข้าใจง่ายเป็นสำคัญ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 การคือความใฝ่ในการสนองความต้องการทางภาษาตั้ง5 2. าพบคือความใฝ่หรือห่วงในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนตลอดจนการที่ตัวตนจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และการที่จะดำรงอยู่ในภาวะที่อยากเป็นนั้นยั่งยืนตลอดไป 3. ทิฏฐิคือความเห็นความเชื่อถือความเข้าใจทฤษฎีแนวคิด ที่สั่งสมอบรมมาและยึดถือเชื่อชูไว้และ4อวิชชาคือความหลงความไม่เข้าใจคือความไม่ตระหนักรู้และไม่กำหนดรู้ความเป็นมาเป็นไปเหตุผลความหมายคุณค่าวัตถุประสงค์ตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ทั้งหลายตามสภาวะโดยธรรมชาติของมันเองความหลงผิดว่ามีตัวตนที่เข้าไปกระทา และถูกกระทำกับสิ่งต่างๆไม่มองเห็นความสัมพันธ์ทั้งหลายในรูปของกระบวนการแห่งสภาวธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยพูดสั้นๆว่าไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นแต่รู้เห็นตามที่คิดว่ามันเป็นหรือคิดให้มันเป็นโดยเฉพาะข้อสและข้อสคือทิฏฐิและอวิชชาจะเห็นได้ว่าเป็นสภาพที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน คือเมื่อไม่ได้กำหนดรู้ไม่เข้าใจชัดหรือหลงเพลินไปก็ย่อมทำไปตามความเห็นความเชื่อถือความเข้าใจที่สั่งสมอบรมมาก่อนหรือแนวคิดความประพฤติที่ยึดถือเคยชินอยู่อันหนึ่งข้อสและสี่คือทิฏฐิและอวิชชานี้มีความหมายกว้างกวางมากรวมไปถึงทัศนคติแบบแผนความประพฤติต่างๆที่เป็นผลมาจากการศึกษาอบรมนิสัย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 จึงไม่มีทางเป็นตัวตนของเขาได้เลยในทางธรรมเรียกสิ่งทั้งสี่นี้ว่าอาสวะแปลตามรูปศัพท์ว่าสิ่งที่ไหลร้านไปทั่วหรืออีกนัยหนึ่งว่าสิ่งที่หมักหมมหรือหมักดองหมายความว่าเป็นสิ่งที่หมักดองสันดานคอยมอมพื้นจิตไว้และเป็นสิ่งที่ไหลร้านไปอาบย้อมจิตใจเมื่อประสบอารมณ์ต่าง ไม่ว่าคนจะรับรู้อะไรทางอายตนาใดหรือจะคิดนึกสิ่งใดอาสะวะเหล่านี้ก็เที่ยวกำทราบซ่านไปแสดงอิทธิพลอาบย้อมมอมมัวสิ่งที่รับรู้เข้ามาและความนึกคิดนั้นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์ของจิตและปัญญาล้วนๆกลับเสมือนเป็นอารมณ์ของอาสะวะไปหมดทำให้ไม่ได้ความรู้ความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นเหตุก่อทุกข์ก่อปัญหาเรื่อยไปอาสะวะอย่างที่หนึ่งเรียก กามาสะวะที่สองเรียกพระวสะวะที่สาเรียกทิฏฐานสะวะที่สเรียกอวิชชาสะวะอาสะวะสี่นี้เป็นการแสดงตามแนวอภิธรรมในพระสูตรท่านนิยมแบ่งอาสะวะเพียงสามอย่างคือไม่มีทิฏฐานสะวะทั้งนี้พอจับเหตุผลได้ว่าเป็นเพราะในพระสูตร ท่านกำหนดเฉพาะอาสะวะที่เป็นตัวเจ้าของบทบาทเด่นชัดท่านไม่ระบุทิฐิสะวะเพราะอยู่ระหว่างอวิชากับภาวาสะวะกล่าวคือทิฐิสะวะอาศัยอวิชาเป็นฐานก่อตัวแล้วแสดงอิทธิพลออกทางภาวาสะวะส่วนในอภิธรรมท่านต้องการจําแนกให้ละเอียดจึงแสดงเป็นสีจึงเห็นได้ว่าอาสะวะต่างๆเหล่านี้ เป็นที่มาแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ปุตุชนทุกคนเป็นตัวการที่ทำให้มนุษย์หลงผิดมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนของตนอันเป็นอวิชชาชั้นพื้นฐานที่สุดแล้วบังคับบัญชาให้นึกคิดปรุงแต่งแสดงพฤติกรรมและกระทําการต่างๆ ต, ตามอันาจนของมันโดยไม่รู้ตัวเป็นขั้นเริ่มต้นวงจรแห่งปฏิจจสมุขบาทคือเมื่ออาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้น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 ตามความต้องการของตนเป็นตน้นที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นคำอธิบายในหัวข้ออวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในระดับที่จัดว่าละเอียดลึกซึ้งกว่าก่อน ส่วนหัวข้อต่อจากนี้ไปถึงเวทนาเห็นว่าไม่ยากหนักพอจะมองเห็นได้ตามคำอธิบายที่กล่าวมาแล้วจึงข้ามาถึงตอนสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานซึ่งเป็นช่วงของกิเลสเหมือนกันตัญหาทั้งสามอย่างคือกามาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาที่พูดถึงมาแล้วนั้นก็คืออาการแสดงออกของตันหาอย่างเดียวกัน และมีอยู่เป็นสามันโดยครบถ้วนในชีวิตประจำวันของปุถุชนทุกคนแต่จะเห็นได้ต่อเมื่อวิเคราะห์ดูสภาพการทำงานของจิตในส่วนลึกเริ่มแต่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่รู้จักมองสิทธิ์ทั้งหลายในรูปของกระบวนการแห่งความสัมพันธ์กันของเหตุปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติจึงมีความรู้สึกมัวๆอยู่ว่ามีตัวตนของตนอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งมนุษย์จึงมีความอยากที่เป็นพื้นฐานสาคัญคือ ความอยากมีอยู่เป็นอยู่หรืออยากมีชีวิตอยู่ซึ่งหมายถึงความอยากให้ตัวตนในความรู้สึกมัวมัวนั้นคงอยู่ยั่งยืนต่อไปแต่ความอยากเป็นอยู่นี้สัมพันธ์กับความอยากได้คือไม่ใช่อยากเป็นอยู่เฉยแต่อยากอยู่เพื่อเสวยสิ่งที่อยากได้คือเพื่อเสวยสิ่งที่จะให้สุขเวทนาสนองความต้องการของตนต่อไป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 อยากให้ดับศูนย์ไปเสียความอยากให้ดับศูนจึงติดตามมาแต่ทันทีนั่นเองความอยากได้ก็แสดงตัวออกมาอีกจึงกลัวว่าถ้าดับศูนย์ไปเสียก็จะไม่ได้เสวยสุขเวทนาที่อยากได้ต่อไปความอยากเป็นอยู่จึงเกิดตามติดมาอีกในทีน่นี้แปลกามัตันหาว่าอยากได้แปลพะวะตันหาว่าอยากเป็นอยู่แปลวิพะวะตันหาว่าอยากให้ดับศูนย์ กรณีที่หนึ่งคือไม่ได้สิ่งที่อยากทันอยากในกรณีที่สองไม่ได้สิ่งที่อยากหรือกรณีที่สามได้ไม่เต็มขีดที่อยากได้ไม่สมอยากหรือกรณีที่สี่ได้แล้วอยากได้อื่นต่อไปกระบวนการก็ดำเนินไปในแนวเดียวกันแต่กรณีที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดและครอบคลุมกรณีอื่นๆทั้งหมดก็คืออยากยิ่งยิ่งขึ้นไป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 เรียกความเห็นผิดนี้ว่าสัตสตะทิทิความเห็นว่าเที่ยงว่ายั่งยืนตายตัวหรือไม่ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายแตกดับศูนย์เสื่อมสลายตัวหมดไปได้เป็นสิ่งสิ่งเป็นชิ้นชิ้นเป็นอันอันไปเรียกความเห็นผิดนี้ว่าอุดเฉททิทิความเห็นว่าขาดศูนย์ตักขาดลอยตัวทั้งสองอย่างคือสัตสตทิฐิและอุดเฉททิฐินี้ เป็นความเห็นผิดว่ามีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งทั้งสิ้นอย่างแรกชัดอยู่แล้วแต่อย่างหลังอธิบายสั้นๆได้ว่าเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนๆจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้หรือตัวตนเหล่านี้สูญสิ้นดับหายขาดห้วนหมดไปได้มนุษย์ปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยู่ในตัวทั้งสองอย่าง จึงมีตัณหาสามอย่างนั้นคือเพราะเข้าใจมืดมัวอยู่ในจิตส่วนลึกว่าสิ่งทั้งหลายมีตัวตนยั่งยืนแน่นอนเป็นจิ้นเป็นอันจึงเกิดความอยากในความเป็นอยู่หรือภาวะตัณหาได้และในอีกด้านหนึ่งด้วยความไม่รู้ไม่แน่ใจก็เข้าใจไปได้อีกแนวหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันแต่ละส่วนละส่วนไปมันสูญสิ้นหมดไปขาดหายไปได้จึงเกิดความอยากในความไม่เป็นอยู่ หรือวิภาวะตัญหาได้ความเห็นผิดทั้งสองนี้สัมพันธ์กับตัญหาในรูปของการเปิดโอกาสหรือช่องทางให้ถ้ารู้เข้าใจเห็นเส็ยแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นกระแสเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันก็ย่อมไม่มีตัวตนที่จะยั่งยืนตายตัวเป็นชิ้นเป็นอันได้และก็ย่อมไม่มีตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันที่จะหายจะขาดสูญไปได้ภาวะตันหาและวิภวะตันหา ก็ไม่มีฐานที่ก่อตัวได้ส่วนกามาตัณหานั้นก็ย่อมสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดทั้งสองนั้นด้วยเพราะกลัวว่าตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดศูนย์สิ้นหายหมดไปเสียจึงเร่าร้อนแสหาสุขเวทนาแก่ตนและเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตเนตเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนคงตัวอยู่ได้จึงดิ้นรนขวคว้ากระทาย้าให้หนักแน่นให้มั่นคงอยู่ให้ได้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 เวลาว่างจึงกลับเป็นโทษเป็นภัยแก่มนุษย์ได้ทั้งส่วนบุคคลและสังคมความเบื่อนายความซึมเศร้าความว้าเหวความไม่พอใจจึงมีมากขึ้นทั้งที่มีสิ่งสนองความต้องการมากขึ้นและการแสวงหาความปรนปรือทางภาษาสัมผัส ต, ต่างๆจึงหยาบและร้อนแรงยิ่งขึ้นการติดสิ่งเสพติดต่างๆก็ดีการใช้เวลาว่างทาความผิดความชั่วของเด็กวัยรุ่นก็ดี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 จึงมีการทำดีเพื่อจะได้เป็นคนดีการขยันหมั่นเพียรเพื่อผลที่หมายระยะยาวการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเกียรติคุณหรือเพื่อไปเกิดในสวรรค์การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็ได้ สืบเรื่องจากตัณหาได้แก่อุ ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมีสี่อย่างคือหนึ่งกามุ ป, ปาทานความยึดมั่นในกามภาษาอังกฤษว่า clinging to s e n s u a l i t y เมื่ออยากได้ดิ้นรนแสหาก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากได้นั้นเมื่อได้แล้ว ยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและกลัวหลุดลอยพรากไปเสียถา้าแม้ผิดหวังหรือพรากไปก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยความผูกใจอาลัยความยึดมั่นแน่นแฟนขึ้นเพราะสิ่งสนองความต้องการต่างๆไม่ให้ภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความต้องการได้เต็มขีดที่อยากจริงๆในคราวหนึ่งคราวหนึ่งจึงพยายามเพื่อเข้าถึงขีดที่เต็มอยากนั้นด้วยการกระทําอีกกระทําอีก และเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของของตนแท้จริงจึงต้องยึดมั่นไว้ได้วยความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้ความคิดจิตใจของผูุ้ชนจึงไปยึดติดผูกพันข้องอยู่กับสิ่งสนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอปลอดโปร่งเป็นอิสระและเป็นกลางได้ยากอุปาทานอย่างที่สองทิศถุกปาทาน ความยึดมั่นในทรษฎีหรือทิฏฐิต่างๆภาษาอังกฤษว่า clinging to views ความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนต้องการย่อมทำให้เกิดความเอ็นเอียงที่จะยึดมั่นในทิฏฐิทรษฎีหรือหลักปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ากับความต้องการของตนความอยากได้สิ่งสนองความต้องการของตนก็ทาให้ยึดมั่นในหลักการแนวคิดความเห็นลัทธิ ความเชื่อถือหลักคำสอนที่สนองหรือเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตนเมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดอันหนึ่งว่าเป็นของตนแล้วก็ผนวกเอาความเห็นหรือหลักความคิดนั้นเป็นตัวตนของตนไปด้วยจึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการต่างๆไปตามความเห็นนั้นๆแล้วเมื่อมีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆที่ขัดแย้งกับความเห็นที่ยึดไว้นั้นก็รู้สึกว่าเป็นการคุกคามต่อ ต, ตัวตนของตนด้วย เป็นการเข้ามาบีบคั้นหรือจะทำลายตัวตนให้เสื่อมด้อยพร่องลงหรือสลายตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้องต่อสู้รักษาความเห็นนั้นไว้เพื่อศักดิ์ศรีเป็นต้นของตัวตนจึงเกิดการขัดแย้งที่แสดงออกภายนอกเกิดการผูกมัดตัวให้คับแคบสร้างอุปสรรคกักปัญญาของตนเองความคิดเห็นต่างๆไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์แท้ๆของมัน ทำให้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากความรู้และไม่สามารถรับความรู้ต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็นอุปท า, านอย่างที่สสีลับประตูป่าทานความยึดมั่นในศีลและพรตเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า clinging to mere rule and ritual ความอยากได้อยากเป็นอยู่ความกลัวต่อความสูญสลายของตัวตนโดยไม่เข้าใจกระบวนการแห่งเหตุปัใจจัยในธรรมชาติ ผสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ประพฤติปฏิบัติไปตามๆกันอย่างงมงายในสิ่งที่นิยมว่า«ขลังว่าศักดิ์สิทธิ์ที่จะสนองความอยากของตนได้ทั้งที่ไม่มองเห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุผลความอยากให้ตัวตนคงอยู่มีอยู่และความยึดมั่นในตัวตนแสดงออกมาภายนอกหรือทางสังคมในรูปของความยึดมั่นในแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ การทำสืบสืบกันมาระเบียบวิธีขนบธรรมเนียมประเพณีลัทธิพิธีตลอดจนสถาบันต่างๆที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ตระหนักรู้ในความหมายคุณค่าวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์โดยเหตุผลกลายเป็นว่ามนุษย์สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อกี่กั้นปิดล้อมตัวเองและทาให้แข็งทื่อยากแก่การปรับปรุงตัว และการที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปสัมพันธ์ในเรื่องศีลัพปตุปาทา น, นี้มีคำอธิบายของท่านพุทธทาสภิกขุตอนหนึ่งที่เห็นว่าจะช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้นอีกดังนี้เมื่อมาประพฤติศีลหรือธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่ลงสันนิษฐานเอาเสียวเป็นของศักดิ์สิทธ เมื่อลงได้ปฏิบัติของศักดิ์สิทธิ์แล้วย่อมต้องได้รับผลดีเองฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมาทานศีลหรือประพฤต ธ, ธรรมะแต่เพียงตามแบบฉบับตามตัวอักษรตามประเพณีตามตัวอย่างที่สืบปรามปรากันมาเท่านั้นไม่เข้าถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆแต่เพราะอาศัยการประพฤติกระทามาจนชินการยึดถือจึงเหนียวแน่น เป็นอุปาทานชนิดแก้ไขยากต่างจากอุปาทานข้อที่สองข้างต้นซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิหรือความคิดความเห็นที่ผิดส่วนข้อ น, นี้เป็นการยึดถือในตัวการปฏิบัติหรือการกระทำทางภายนอกคำอธิบายเรื่องสีลับปะตุปาทานของท่านพุทธทาภิกุนี้อยู่ในหนังสือหลักพระพุทธศาสนาอุปาทานอย่างที่สี่ อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนภาษาอังกฤษว่า clinging to the ego belief ความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นความหลงผิดที่มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วและยังมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วยเสริมความรู้สึกนี้อีกเช่นภาษาอันเป็นถ้อยคำสมมติสำหรับสื่อความหมายที่ชวนให้มนุษย์ผู้ติดบัญญัติมองเห็นสิ่งต่างๆแยกออกจากกันเป็นตัวตนที่คงที่ แต่ความรูษษ้สึกนี้กลายเป็นความยึดมั่นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยกล่าวคือเมื่ออยากได้ก็ยึดมั่นว่ามีตัวตนที่เป็นผู้ได้รับและเสวยสิ่งที่อยากนั้นมีตัวตนที่เป็นเจ้าของสิ่งที่ได้นั้นเมื่ออยากเป็นอยู่ก็อยากให้มีตัวตนอันใดอันหนึ่งเป็นอยู่เมื่ออยากไม่เป็นอยู่ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะให้สูญสลายไปเมื่อกลัวว่าตัวตนจะสูญสลายไป ก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ำความรู้สึกในตัวตนให้แน่นแฟนหนักขึ้นไปอีกที่สําคัญคือความอยากนั้นสัมพันธ์กับความรู้สึกว่ามีเจ้าของผู้มีอำนาจควบคุมคือมีตัวตนที่เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆให้เป็นไปอย่างที่อยากให้เป็นได้และก็ปรากฏว่ามีการบังคับบัญชาได้สมปรารถนาบ้างเหมือนกันจึงหลงผิดไปว่ามีตัวฉัน หรือตัวตนของฉันที่เป็นเจ้าของเป็นนายบังคับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ความจริงมีอยู่ว่าการบังคับบัญชานั้นเป็นไปได้เพียงบางส่วนและชั่วคราวเท่านั้นเพราะสิ่งที่ยึดว่าเป็นตัวตนนั้นก็เป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่สามารถบังคับบัญชาสิ่งอื่นๆที่เข้าไปยึดให้เป็นไปตามที่อยากให้เป็นไปได้ถาวรและเต็มยากจริ ง, รงการที่รู้สึกว่า ตัวเป็นเจ้าของควบคุมบังคับบัญชาได้อยู่บ้างแต่ไม่เต็มสมบูรณ์จริงๆเช่นนี้กลับเป็นการย้ำความหมายมั่นและตะเกียกตะกายเสริมความรู้สึกว่าตัวตนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อยึดมั่นในตัวตนด้วยอุปาทาน <c oughs> ก็ไม่รู้จักที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นกลับหลงมองความสัมพันธ์ผิด ยกเอาตัวตนขึ้นยึดไว้ในฐานะเจ้าของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหล่านั้นตามความปรารถนาเมื่อไม่ทําตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยและสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความปรารถนาตัวตนก็ถูกบีบคั้นด้วยความพร่องเสื่อมด้อยและความสูญสลายความยึดมั่นในตัวตนนี้นับว่าเป็นข้อสําคัญเป็นพื้นฐานของความยึดมั่นข้ออื่นๆทั้งหมด ความหมายง่ายๆแง่งงงหนึ่งสําหรับแสดงความสัมพันธ์ภายในวงจรปฏิจจสมุทบาทช่วงนี้เช่นเมื่อประสบสิ่งใดได้รับเวทนาอันอร่อยก็เกิดตัณหาชอบใจอยากได้สิ่งนั้นแล้วเกิดกามุ ป, ปาทานยึดติดในสิ่งที่อยากได้นั้นว่าจะต้องเอาต้องเสพต้องครอบครองสิ่งนั้นให้ได้เกิดทิฏฐุ ป, ปาทานยึดถือมั่นว่า ต้องอย่างนี้จึงจะดีได้อย่างนี้จึงจะเป็นสุขต้องได้เสรเสวยครอบครองสิ่งนี้หรือประเภทนี้ชีวิตจึงจะมีความหมายหลักการหรือคำสอนอะไรอะไรจะต้องส่งเสริมการแสวงหาและได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงจะถูกต้องเกิดศิลปประตุปาทานว่าเมื่อจะประพฤติปฏิบัติศีลพรตขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนอย่างใดอย่างใด ก็มองในแง่เป็นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นหรือจะต้องเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นจึงจะยอมหรือคิดหายกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติและเกิดอัตตวาทุปาทานยึดติดถือมั่นในตัวตนที่จะได้จะเสพจะครอบครองสิ่งที่อยากได้นั้นว่าโดยสรุป อุปาทานทําให้มนุษย์ปุตุชนมีจิตใจไม่ปลอดโปร่งผ่องใสความคิดไม่แล่นคล่องไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่สามารถแปลความหมายตัดสินและกระทําการต่างๆไปตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธิ์แต่มีความติดข้องความเอ็งเอียงความคับแคบความขัดแยง้งและความรู้สึกถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อเป็นตัวเราของเราก็ต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับความอยากกลับเป็นอย่างอื่นไปจากที่อยากให้เป็นตัวเราก็ถูกขัดแย้งกระทบกระแทกบีบคั้นสิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใด ตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้นสิ่งที่ยึดไว้มีจำนวนเท่าใดตัวเราแผ่ไปถึงไหนยึดไว้ด้วยความแรงเท่าใดตัวเราที่ถูกกระทบขอบเขตที่ถูกกระทบและความแรงของการกระทบก็มีมากเท่านั้นและผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงความทุกข์เท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่และกระทำการต่างๆตามอานาจความยึดความอยากไม่ใช่เป็นอยู่และทาการด้วยปัญญาตามเหตุ ป, ปัจจัย โดยเฉพาะอัตตวัทุปาธานนั้นเมื่อวิเคราะห์ออกไปจะเห็นว่าเป็นการยึดมั่นในเรื่องขันห้าอย่างใดอย่างหนึง่งตามบาลีว่าพุทุชนย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาหรือเข้าใจว่าอัตตามีรูปหรือเข้าใจว่ารูปอยู่ในอัตตาหรือเข้าใจว่าอัตตาอยู่ในรูปเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตา หรืออัตตามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อจากอุปาทานกระบวนการดำเนินต่อไปถึงขั้นพบชาติชารามรณะจนเกิดโศกะปริเทวะเป็นต้นตามแนวที่อธิบายแล้ว เมื่อเกิดโสกะปริเทวะเป็นต้นแล้วบุคคลย่อมหาทางออกด้วยการคิดตัดสินใจและกระทําการต่างๆตามความเคยชินความโน้มเอียงความเข้าใจและความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสมไว้อีกโดยไม่มองเห็นภาวะที่ประสบในขณะนั้นๆตามที่มันเป็นของมันจริงๆวงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชาแล้วหมุนต่อไปอย่างเดิมแม้อวิชชาจะเป็นกิเลสพื้นฐาน เป็นที่ก่อตัวของกิเลสอื่นๆแต่ในขั้นแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆตันหาย่อมเป็นตัวชักจูงเป็นตัวบงการและแสดงบทบาทที่ใกล้ชิดเห็นได้ชัดเจนกว่าดังนั้นในทางปฏิบัติเช่นในอริยสัจสี 4, จึงกำหนดว่าตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่ออวิชชาเป็นไปอย่างมืดบอดเลื่อนลอยตัหาไม่มีหลัก ไม่ถูกควบคุมเป็นไปสุดแต่จะให้สนองความต้องการได้สำเร็จย่อมมีทางให้เกิดกรมฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีแต่เมื่ออวิชชาถูกปรุงดัดแปลงด้วยความเชื่อถือในทางที่ดีงามความคิดที่ถูกต้องความเชื่อความเข้าใจที่มีเหตุผลตัณหาถูกชักจูงให้เบนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามถูกควบคุมขัดเกลา้าและขับ พุ่งไปอย่างมีจุดหมายก็ย่อมให้เกิดกรรมฝ่ายดีและเป็นประโยชน์ได้อย่างมากและถ้าได้รับการชักนาอย่างถูกต้องก็จะเป็นเครื่องอุปถมัมสำหรับกำจัดอวิชชาและตัณหาได้ต่อไปด้วยวิธีอย่างแรกคือวิธีที่อวิชชาเป็นไปอย่างมืดบอดเลื่อนลอยตัณหาไม่มีหลักไม่ถูกควบคุมเป็นไปสุดแต่จะให้สนองความต้องการได้สาเร็จเป็นวิถีแห่งความชั่ว แห่งบาปอากุศลอย่างหลังคือวิธีที่อาวิชาถูกปรุงดัดแปลงด้วยความเชื่อถือในทางที่ดีงามความคิดที่ถูกต้องความเชื่อความเข้าใจที่มีเหตุผลตัณหาถูกชักจูงให้เบนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามเป็นวิธีแห่งความดีแห่งปุญกุศลคนดีและคนชั่วต่างก็ยังมีทุกอยู่ตามแบบของตนของตนแต่วิธีฝ่ายดีเท่านั้นที่สามารถนำไปสู่ความสิ้นทุก ความหลุดพ้นและความเป็นอิสระได้ตัณหาที่ถูกใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นั้นมีตัวอย่างถึงขั้นสูงสุดเช่นครั้งหนึ่งพระอานน์แสดงธรรมแก่นางพิสุณีรูปหนึ่งผู้ใช้คนไปนิมนต์อ้างว่าตนเป็นไข้โดยท่านพระอานน์ชี้แจงว่ากายเกิดขึ้นเพราะอาหารตัณหามานะและเมถุน บุคคลพึงอาศัยอาหารละอาหารอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะแต่เมถุนต้องเว้นขาดอาศัยละไม่ได้ในส่วนอาศัยตัณหาละตัณหานั้นท่านอธิบายว่าดูกระนองหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เธอจึงมีความดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เป็นต้นอย่างนั้นบ้างสมัยต่อมาเธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดจากตัณหาพึงอาศัยตัณหาละตัณหานิเสียเราอาศัยความข้อนี้เองกล่าว ถ้าไม่สามารถทำอย่างอื่นนอกจากเลือกเอาในระหว่างตันหาด้วยกันพึงเลือกเอาตันหาในทางที่ดีเป็นแรงชักจูงในการกระทำแต่ถ้าทำได้พึงเว้นตันหาทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีเลือกเอาวิถีแห่งปัญญาอันเป็นวิถีที่บริสุทธิ์อิสระและไร่ถุก